พรธรรมเทศนาแผ่นที่84ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่3พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าเอื้ออำนวยด้วยธรรม วันนี้เป็นวันที่สามพฤศจิกายนพุทธศักราช2558พระในวัดของเราวันนี้ตามรายงานของพระพระทั้งหมด59รูปไม่ลงมาชั้น15หรวงพ่อมาพระ59นับนับดูแล้วทำไมพระไม่ครบอะ่ะ พองพางงดฉันไม่ลงมาฉันการไม่ลงมาฉันท่านอาจจะอดอาหารก็ได้เพาอเผลอท่านอาจจะนอนตื่นสายอา้าวหลวงพ่อไม่ได้ให้คะแนนอย่างเดียวนะเออเผลอเอพ ร, ะ, พระงวงเงียไปฮั่นอนตื่นสายก็มาไม่ทันหมูใช่ไหมนี่มาได้ยังไงก็เลยอดไปเลยหมตกหัวต่างอาบน้ำไปเลยแบั้นเถอะ ก็ไม่พวกเราคงจะไม่รู้จักขัวนะขัวขคํานี้คล้ายๆเป็นเป็นไม้ลำเดียวอ ะ, ะเวลาเขาเห็นคลองอยู่ในป่าดงพงไผ่เขาจะตัดไม้โค่นไม้แล้วก็ทับให้มันเป็นไม้ลำเดียวโอ้ถ้าไม่เก่งจริงไม่กล้าตายหรอกงั้นเถะเหมือผมมันจะตกได้ง่ายๆแต่บางคนกคนนี้พอไปเดินไปเดินไปมันพลาดเลนี่มัน มันเลืน่นนะมันไม้ไพอตกตาํมลงไปในน้ำกว่วออยคนใช่ไหมทำท่าอาบน้ำสีขี้ใครไปเลยพ่างั้นทำท่าอาบน้ำช่วยอยู่ในน้ำที่แท้มนตัวเองตกหัวว่างนะั้นเถอะตกสะพานอันนี้พระในวัดของเราก็เข้าขายนั้นคงจะมีอยู่มั่งหลวงพ่อว่านะเออ พอนอนตื่นสายก็เลยทำท่ า, ทาอดอาหารไปเลยเม่อกี้นนะมีดีกรีไปอีกต่างหากที่แท้ตัวเองนอนตื่นสายทําถามกันในกูบานะที่หลวงพอ่อพูดมีส่วนไหมวะและก็วันพรุ่งนี้กระถิ่นของเราวันที่8นะคณะทาญาิโยมลูกหลานพระเนรแต่วันที่สี่วันพรุ่งนี้ควรจะออกไปฉันข้างนอกนะจะลาข้างนอกเพื่อความเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมของงาน ข้างในก็คงจะจัดพิธีจัดปรำพิธีจัดอาจสงใหม่นะก็ช่วยๆกันดูละเพราะฉะนั้นพวกพระเราก็ออกไปฉันข้างนอกซะเพื่อความเตรียมพร้อมของงานของเราขาดเหลือขาดตกเราจะได้รู้ว่ามันใช้งานเป็นยังไงพอนานๆเราได้ ไปใช้งานข้างนอกเรานั้นตั้งแต่วันที่สี่นะวันพรุ่งนี้แหละให้ช่วยๆกันไปดูๆจัดสถานที่ให้พร้อมแต่ถึงยังไงก็เราก็อยู่ตามสภาพนีจะให้มันสมบูรณ์ทุกอย่างเหมือนโรงแรมห้าดาวเขาก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ เราอยู่ในสถภาพป่าป่าดวงพงไพรเราก็ต้องอยู่แต่ว่าทำพยายามทำให้ดีที่สดุดเมื่อพี่น้องมาเยี่ยมเยียนเราก็ต้องพยายามอำนวยความสะดอำนวยความสะดวกให้ดีที่สดุดแล้วก็พี่น้องโพเทียมมาอยู่ขาดเหลือขาดตกอะไรไม่ได้รับความสะดวกเอาก็บอกเจ้าของถิน่นเจ้าของบ้าน พอไเจ้าของบ้านบางทีก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะความขาดตกบกพร่องในจุดนั้นไม่ใช่ว่าพอเห็นความบกพร่องแล้วก็เอานาไปนินทากาเล่ั้งที่เจ้าของบ้านเขาก็ไม่รู้เออพอมันกว้างกวงแต่ขนาดบ้านของเราแคบๆเราก็ยังมองไม่เห็นแต่นี้มัน <c oughs> กุฏิตั้งหลายหลังเนื้อที่พันกว่าไร่ แล้วกพี่น้องประชาชนเข้ามาไม่ร่วกละหลอกแล้วละหลอกอีกความวัตถุที่เราใช้ไปอาจจะขาดตกบกพร่องไปแต่ใครเห็นจุดไหนที่มันจะบอกกล่าวเจ้าของบ้านได้บอกกล่าวเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของพวกเรา ไม่ใช่ว่าเมื่อแขกเข้ามาเยี่ยมเราก็เฉยมีทําเราทํำยังไงเราใช้ยังไงเราก็ไม่ได้มองดูสถานะของแขกที่แขกคนที่มาเยือนอก็ไม่ถูกเหมือนกันนะ เ, เหมือนกับหมาจิงจอกกับนกกระสาเป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเสี่ยวกันนกกระสาไปเยี่ยมหมาจิงจอก หมาจิงจอก็เอาเข้าวเอาเข้าวใส่จานให้กินใช่เพราะเขาอยู่สภาพอย่างนั้นหมาจิงจอก็นกกระสากระสบจงอยปากมันแหลมใช่ไหมละ่ะมันจะไปกินได้ยังไงกินข้าวในจานใช่ไหมสับจะปกปกในที่ละเม็ดใช่ไหมพอสับขึ้นมากลิ้นก็ไม่ถึงปลายจะไปลายปลายจงอยปากก็ต้องเอียงอีกต่างหาอลี้มันก็สั้นกว่า พอใ น, นสุดนกกระสาก็มีแต่มองข้าวในจานกินข้าวไปได้พอไรไม่รู้จะกินยังไงพอาสับลงไปกับปกปกในจานไงตอนนี้นพอไม้จิ้งจอกไปหานกกระสานกกระสามันก็มีกระบอกไม้ไผ่ยาวๆใช่เวลามันใส่อาหารก็ใส่ในกระบอกไงแต่นี้นกกระสามก็เอา จะงอยปากมันเยียวยานมันจิมลงไปในกระบอกไม้ไผ่มันก็กินข้าบอาหารได้เต็มปากของมันพอมันอยู่ในกระบอกไม้ไผ่แต่หมาจิงจอกไปเอาเอาปากตัวเองมุดลงกระบอกไม้ไผ่มันก็ไม่หลวมใช่ไหมผลที่สุดมีแต่เอาลิ้นเลียลงไปก็ได้กินเม็ดสองเม็ดเท่านัะนะ้นไม่ไม่ถึงอาหารอีกต่างหากเออผลที่สุดก็เลยนะนะั่นแหละนกกระสากับหมาจิงจอก เป็นเพื่อนกันแต่ไม่รู้จักไม่รู้จักสถานะซึ่งกันและกันถ้านกกาะสาฉลาดรอบรู้เรียนรู้วิธีชีวิตของเพื่อนอก็ต้องหาอาจารย์มาลองให้หมาจริงจอกได้กิดง่ายๆหมาจริงจอ ก, ก็เหมือนกันรู้จักว่านกกรสาเพื่อนกัน มาอย่างไรอยู่อย่างไรพอมาแล้วก็ควรจะหากระบอกไม้ไผ่เอาอาหารลงให้นกกระสาก็จะได้กินส บ, บายนี่แหละนิทานหรือว่าชาดกเนี่ยมันเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายการเป็นหมู่เป็นพักเป็นพวกกันไปหาไปมาหาสู่กันที่จะเป็นพักเป็นหมู่เป็นเพื่อนกัน ต้องรู้จักสถานะาระวางเป็นอยู่ของแต่ละคนแต่ละเพื่อนกับเขาเป็นอยู่อย่างไรในเมื่อเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะมาหาเราเราก็ควรจะปรับปรุงอย่างน้อยภายในละความสะดวกสบายบ้างอย่างพระฝรังไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเวลาเข้ามาเนี่ยลงตาโดยมาก ผ้าฝรั่งฉันพิกไม่ได้ใช่ไหมฉันต้มสมามตำสมลกออะไรพวกนี้ไม่ได้ลงตาท่านก็มองเอบอกพระไทยอย่างหลวงพ่อเลยนะเฮ้ยเอเอไข่ไอ้พวกไข่พวกอะไรเนี่ยที่มันอาหารจืดๆต้องไปใส่บาดพระฝรั่งนะออบางทีมีอะไรเข้ามาเนี่ยนะนี่อฝรั่งเขากินได้เนี่ยไปใส่พระฝรั่งนะ อันนี้คือหลวงตาท่านบอกคือเขาเขาทานไม่ได้เนี่ยเขามาอยู่ไนศึกษาในพื้ น, นเมืองไทยของเราเราก็ต้องให้อาหารเขาตามที่เขาเคยเคยเคยฉันเคยทานถ้าเห็นขนมปังมาเพราะสมัยนั้นมีฝรั่งมาอยู่ที่เมืองเมืองไทยเมืองอุดรเนา่ยสนาสมนนบิน เมืองอุรานเวลานนั้นเขามีอาหารเศษเหลือกคนศรัทธาญาติโยมเข้ามาก็มาทําบุญข น, นมปังลงเอาไปให้พระฝรั่งไปโอวันนั้นพระฝรั่งก็เหมือนเหมือนกนถูกหวยลอตเตอ ร, อรี่แล้วงันเถอได้กินขนมปังอาหารพื้นบ้านของตนเองใช่ไหมไม่ว่าท่านว่าเราใช่ไหมเราจะไปเยี่ยมเยียนอเมริกันจุโรป ถ้าคนทางนู้นขอเป็นคนลาวคนไทยอพยพไปเขาเลี้ยงอาหารไทยโอ้โหเราก็เหมือนกับถูกรตเตอรี่เหมือนกันไม่ใช่เหรอเนี่แหละสิ่งเหล่านี้ให้พวกเรารู้นะให้เราประมวลมาเมื่อเราแข่คนเข้ามาสู่บ้านของเร า, าเราจะอำนวยความสะดวกกับญาติพี่น้องศรัทธาญ า, าติโยมญาติธรรมญาติธรรมของเราได้มากน้อยแค่ไหนฮะ แต่ก็ไม่ให้เกินไปไม่ใช่ว่าญาติธรรมของเรามาเขาอยู่ในสถ า, สถานะที่ร่ำรวยก็จริงอยู่แต่เรายากจนนะเราจะไปเอาที่ดินที่ดอนไปจำนองจำนำเพื่อไปเอาสิ่งของมาเลี้ยงญาติธรรมของเราเพาอญาติธรรมกลับไปแล้วตัวเองก็เป็นนี่สิท์พลุงพลังก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเราก็ต้อง สรุปแล้วก็คือทำให้ดีที่สุดนะพยายามทำให้ดีที่สุดที่มันวัดสดุที่มันมีอยู่แต่เพื่อนที่มาเยี่ยมเยียนจะดูถูกเย็ดยมอยังไงเราก็ต้องยอมพอเราทำดีที่สุดแล้วนะแต่ถ้าว่าเราเฉยเฉยเมย่มยเราไม่ได้ใส่ใจกับผู้ที่มาเยือนอันนั้นไม่ถูกต้องแปลว่าฉืดชืดจิตใจชืดจิตใจไม่มีน้าใจ จืดชืดจนเกินไปไม่น่าจะถูกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในสถานะไหนให้พวกเราดูญาติติโกโหติกญาติาติธรรมที่เขามาเกี่ยวข้องนะเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือในลางในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจนะ้าเนี่ยท่านแยก ท่านแยกขนนะท่านไม่ได้แยกความร่ํารวยสวยงามมั่งมีสีสุขในเรื่องต่างๆแต่ท่านแยกจริงๆคือท่านแยกใครคิดดีทำดีพูดดีใครคิดดีเนี่ยตัวนั้นตัวสำคัญถ้าว่าคิดดีเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาพระหันหรือเป็นพระพุทธเจ้า แปลว่านั่นผู้นั้นคิดดีตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจผู้นั้นเลิศประเสริฐในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออถึงจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยยศธารรดาศัก์สูงสงขนาดไหนแต่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วท่านก็ยังไม่จัดว่าเป็นคนดีออท่านว่าจัดว่าเป็นคนชั่ว เพราะนั้นให้พวกเราแยกแยะให้ออกว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันอยู่ที่ใจถ้าผู้ใดใคิดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นคิดมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ชาติต่อเพื่อนมนุษย์โลกต่อสรรพสัตว์ในโลกมีน้ําใจใมีเมตตามีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตใจ ผู้นั้นเลิดประเสริฐแต่คำว่าผู้ใดตรงตรงข้ามกับสิ่งเหล่านั้นแปลว่าเสียหายเลวทรามชั่วช้าลามกแต่ถึงจะมั่งมีสีสุขหน้าตาเซตสวยงดงามขนาดไหนก็เถอะแปลว่าแปลนั้นแปลว่าคนนั้นเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีเพื่อเผอจะออกไปขังไว้อีกต่างหากเพราะชุมชนสังคมไม่ยอมรับ ถึงจะดีมั่งมีสีสุขล่ำรวยขนาดไหนก็เถอะแต่คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีทำให้ชุมชนสังคมเดือดร้อนเออเอาไปขังซะไปขังไปก่อนเออพอมันทำตัวไม่ดีนะถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามถ้าคิดดีมีคุณธรรมศีลธรรมจะได้ย่ำทำเมื่อทำออกไปก็ทาดีเมื่อพูดออกไปก็พูดดีไม่เบียดเบีย น, ยนตนและผู้อื่นไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน อผู้นั้นเขาจะไปขังได้ยังไงเว้นเสียแต่ว่าคู่อริคู่ศัตรูเอามาเก่าแก่อันนั้นก็ไม่ว่ากันน่ะเออถึงเขาจะดีขนาดไหนมันก็ขวางหูขวางตาอยู่อย่างงั้นแหละหาเรื่องหาราวใส่เขาอยู่อย่างงั้นแหละเอออันนั้นแปลว่าไปอยู่กับคนชั่วเป็นอยู่กับปาประมิตรไปอยู่กับคนเลวเอพร้อมที่จะเขาเขาก็จะหาเรื่องหาราวใส่เราเพราะความอิจฉา ่ความอิจฉาตาเลือกนะมันอยู่กับทุกยุคทุกสมัยนะนะั่นน่ะจัตยาญาติโยมลูกหลานแต่ถึงยังไงให้เราเป็นคนดีแต่ข้อสําคัญเ ร, เ, นะนะเราจะไปอิดชาเขาท่านนั้นนหะเราจะไปอิจฉาเขาเราให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีมีจริยธรรมมีคุณธรรมศีลธรรมนะนี่แหละไม่ถึงร้อยปีละต่างคนต่างไปละท่นหนอย่าไปคิดว่าจะอยู่รอดถึงนมนาน ถ้าบอกใครก็ตามคิดว่าตัวเองจะอยู่นมนานนะั่ะมันวางแผนกิเลสมันวางแผนะข้าจะต้องเป็นอย่างนั้นข้าจะต้องเป็นอย่างนีน้ข้าจะต้องวางมาัดอย่างนู้นอย่างนี้นเอกิเลสวางแผน่ะใหญ่โตเออปผล้วยสุดจะหายเงียบไป เ, เห็นไหมในเมืองไทยของเรากี่คน่ะที่วางแผนใหญ่ๆปู่ย่า ต, ตายายของพวกเราไปแล้วไม่รู้กี่คน่ะเออ หายเงียบไปแม้ถึงพวกเราพวกเรายังมองไม่เห็นอีกเหรอในท่านเหล่านั้นะเออแต่ท่านเหล่านั้นพาทําดีเออเราควรจะยกเป็นตัวอย่างอือนี่บุคคลคนนี้เป็นคนดีอย่างองค์หลวงตาเนี่ยหลวงตามหาบัวเนี่ยเดวงตาของเราเออท่านมีแมแต่ให้สงเคราะห์ชุมชนสังคมเออทั้งที่ท่านอยู่ป่ารงพงไพ่ พอบ้านเมืองจะร่มจมจิบหายก็รู้อย่แล้วจิบหายในช่วงนั้นคืออะไรจะล่มล้มทั้งยืนเพราะดำเนินการผิดพลาดทางเศรษฐกิจลวงตายทั้งที่ท่านก็อยู่ในป่ารงพงไพ่ท่านกระโดดออกมาเลยสู้อย่างจุดๆอายุถึงปดสบก้าสิปีประเทศชนะว่าการรวบรวมปวงประชาพี่น้องลูกหลานให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อจืนหยัดเพื่อความพร้อมเพียงสำมกขีไม่ให้ประเทศล้มฮะก็หาทองคำเข้าคลังหลวงได้ถึงสิบสามตันกว่าทองคันทองดอลลาร์ได้สิบล้านกว่าดอลลาร์ไม่ใช่น้อยสำหรับคนคนหนึ่งสาหรับพระแก่องหนึ่งเป็นผู้นำชุมชนสังคมพระน่สุคนะประเทศชาติก็ฟื้นตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ พเพราะเพราะความเมตตาขององค์หลวงตามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขสมกับธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าพระอรหันต์อยู่ในชุมชนกลุ่มใดอยู่นสถานที่ใดที่นั้นแลเป็นที่รื่นรมออผู้มีธรรมอยู่นสถานที่ใดที่นั้นแลเป็นที่รื่นรม ถ้าว่าคนมีกิเลสอยู่ในสถานที่ใดที่นั่นแหละเป็นเรื่องเป็นที่เดือดร้อนวุ่นวายที่สุด เ, เพราะกิเลสมันไม่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มีแต่ความอิจชา้าพยาบาทอาฆาตจองเวรเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นกิเลสเนะ่ยเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเห็นไหมทุกวันเนี่เอเช้านี่คนเนี่ยหลวงพ่อนั่งรถมาเขาก็ประกาศทางวิทยุ ประเทศไหนแห่ไปประเทศไหนตั้งหลายแสนคนในเดือนตุลาที่ผ่านมาเดือนเดียวนะแต่ถ้าหากว่าเขามีความร่มเย็นเป็นถูกเขาจะไปทาไมต้องมาจ้างให้หลวงพ่อไปในขนาดหลวงพ่อจะเขาในมนเอาค่าเครื่องบินให้หลวงพ่อไปเที่ยวต่างประเทศหลวงพ่อยังไม่อยากไปเ <c oughs> <c oughs> อรา่อะไรเพราะเราอยู่ในประเทศของเราสบายกว่าแต่ถ้ากว่า ยิ่งไปหนีออกจากประเทศเอาไปไปตายเอาดาบหน้าอย่างนั้นนะถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงเขาไม่ไว้ใจในชีวิตทรัพย์สินของเขาแล้วเขาจะไปทำไมนี่แหละเขาต้องอยู่สิที่เขาเกิดมาณสถานที่ใดเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือใครทำให้เขาทาให้เขาเหล่านั้นเดือดร้อนพวกกิเลสกิเล ส, เาเลสบางกลุ่มบางคน กิเลสราคากิเลสโทสะกิเลสโมหากิเลสความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรทําให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายถ้าพระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมอยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่รื่นรมให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ถ้ามันอยู่ในใจของเราในหมู่ของเรากลุ่มคณะของเรา กลุ่มคณะของเราก็ร่นเรื่อนร่ม น, น, น, นะเอมีความสุขนะเพราะมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ด้วยกันะถ้ากิเลสอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละบรรลัยแล้วละ่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นะต่อเ น, นี้ไปรับผ่อนคนนอะสมชายสมชายมันร้องขึ้นมาแล้วมันบอกมันจะฝนจะแลรง้ะฝนจะตกขอไมทราบของมันแล้วมันจะหนา ว, วมั่งบัดนี้